พระองค์ก็เลยแสดงถึงสังเวชนียสถานเนี่ยนะว่าดูก่อนอนนันสังเวชนียสถานสี่แห่งเหล่านี้เป็นที่ควรเห็นของกุลบตรผู้มีศรัทธาสําหรับผู้ที่มีศรัทธาใ น, นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะสถานที่สี่แห่งเนี่ยน่าเห็นสังเวชนียสถานสี่แห่งเป็นไนสังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบดผู้มีศรัทธา ด้วยมาระลึกว่าพระตถาคตประสูตรณที่นี้เนี่ยนะคือพระผู้บำเพ็ญบารมีสิบอุปปารมีสิบปรมามิตาปารมีสิบมหาบริจักทั้งห้าพระองค์เหล่านั้นเนี่ยประสูตรณที่แห่งนี้เป็นสถานที่หมื่นโลกธาตุวันไหวนเป็นสถานที่ที่พิเศษที่เรียกว่าเป็นทาให้แสงสว่างอันโอฬารได้เกิดขึ้นสว่างล่วงเทวานุภาพแผ่นดินวันไหวเนี่ยนะ เป็นสถานที่ประสูมของผู้ที่ประสูตมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัพพสัตถ์ทั้งหลายแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้อันดับที่หนึ่งสองสังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีสัทพาด้วยมาระลึกว่าพระตถ า, าคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณณที่นี้สถานที่นี้เป็นที่ที่พระองค์ตรัสรู้นะที่ตรัสรู้คือที่พุทธคยานะ สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบดผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่าพระตถาคตยังพระธรรมจักรอันยอดยิ่งหรือว่าอนุตตรธรรมจักรเนี่ยธรรมจักรอันยอดเยี่ยมให้เป็นไปแล้วนะสถานที่นี้อันนี้ก็คือที่อะไรปายสิป ต, ตนน้มฤุกขายวันแล้วก็สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบดผู้มีศรัทธาด้วยมาระลึกว่าพระตถาคตเสด็จปรินิพาน ด้วยอนุปาทิเสสนิธานในที่นี้ก็คือที่เมืองกุสินาราเนี่ยนะกุสินาราอนน์สังเวชนียสถานสี่แห่งเหล่านี้แหลเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นจะมาระลึกว่าตถาคตประสูตรณที่นี้เนี่ยนะบางกลุ่มก็บอกว่าเนี่ยไปไหว้สถานที่พระองค์ประสูตร พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้พระตถาคตยังธรรมจักอันยอดยิ่งให้เป็นไปในที่นี้พระตถาคตเสด็จดับขันธปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในที่นี้ก็เช่นกันนะบางองค์บางกลุ่มก็ไปทั้งสี่แห่งบางกลุ่มก็ไปแห่งเดียวบางกลุ่มก็ไปสองแห่งบางกลุ่มก็ไปสามแห่งบางกลุ่มก็ไปสี่แห่งนะนะบางกลุ่มก็ไปทุกแห่งบางกลุ่มก็ไปแห่งละสองแห่งละ อะไรนะแห่งละปีละสองสามครั้งก็มีบางท่่มก็ไปเกือบทุกเดือนก็มีเนี่ยนะก็มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันก็แล้วแต่ว่าก็มีนีในบรรดาผู้ที่มีศรัทธาเขาก็ไปไปกันบ่อยบอกว่ามาสิบกว่าครั้งแล้วนี่เหมือนกันนะบางคนก็บอกมาทุกปีเหมือนกันบางคนก็มาปีละสองครั้งครั้งอะไรก็ว่าเขาก็มีศรัทธาที่จะมาระลึกถึงพระพุทธเจ้าในผู้ที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะเนี่ยนะแต่นี้ที่สําคัญที่สุดว่าหลายท่านก็มาคิดถึงว่าอ้าถ้าไปไม่ได้ ไปตรงนั้นก็ไม่ได้แปลว่าแหมกุศลจิตจะเกิดพูดาพาดมากมายนะต้องพยายามปลารกให้ดีว่าคนที่ไม่มีความรู้ไม่ศึกษาพระคุณของพระตถาคตก็ไปดูต้นไม้เนี่ยก็ลองไปเนี่ยที่วัดทศมหาธาตุที่บางเขนดูกันแล้วกันเขาไปเห็นต้นโพแล้วไปคิดยังไงอ่ะถ้าจะไปที่พุทธคยาลองไปนั่งมีเวลาอยู่ทั้งวันเนี่ยเงียบๆเนี่ยนะไปนั่งคิดดูระหว่าเราจะไปตรึกว่ า, างไงเพราะต้นโพนั้นก็ามาจากที่ประเทศอินเดีย เป็นั่งลองตรึกดูนะเราไปไหว้แบบนะพระพุทธรูปองค์ลองตรึกดูก่อนเนี่ยนะใครจะฝึกไปอินเดียเนี่ยต้องไปซ้อมดูก่อนนะไปซ้อมไหว้ต า, ามพี่ต่างๆไปซ้อมไประ ล, ลิกมาเนี่ยพระองค์ตรัสรู้อะไรไปคิดให้มันดีๆก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยไปบอกไม่เห็นได้อะไรเลยนะนะได้อะไรก็ได้เนี่ยกลับมานะตอนแรกก่อนไปคิดถึงพระพุทธเจ้ากันเก็บทุกคน พอกลับมาคิดถึงช็อปปิ้งคิดถึงซื้อคิดถึงขายคิดถึงอาหารคิดถึงห้อง น, น้าคิดถึงอู้อะไรก็มารู้ก็แสดงว่าไปตรึกเรื่องพระพุทธคุณเป็นต้นน้อยมากเนีย่ยนะถ้าหากว่าไปตรึกพุทธคุณมากทุกคนกลับมาก็ต้องมาพูดเรื่องพระพุทธเจ้าสิแต่ไม่กลายเป็นว่าอาหารอันโอชะก็คือเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องห้องน้ําเรื่องที่รับที่นอนเรื่องถนนหนทางเป็นกลายปเป็นอาทิตย์ดีกรมจัดการถนนของเขาไปแล้วเนีย่ยนะเนะขาไม่ได้จ้างให้ไปวิจารณ์บ้านเมืองเขาซะหน่อยเนีย่ยนะ กลับมาโอ้ยจางกันแรงนะมันก็เลยปลายเป็นว่าเออการตรึกพุทถานุสติเป็นต้นก็ลดน้อยถอยลงไปโอ้ยก่อนไปนี่ดีแล้วเกินคิดถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียวพอไปเห็นสถานที่ปั๊บกลับมาเนี่ยน้อยมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเขา้าอันนี้ก็ต้องมาฟบทวนให้ดีนั้นใครที่อยากจะไปจริงๆอ่ะเขามาว่าไปสักซ้อมดูก่อนเอาเนี่ยที่บางเขนก็ได้เงียบๆดีพระศรีมหาธาตุที่บางเขนพื้นที่ใหญ่โตเนี่ยลองไปตรึกดูห้ ไปตึกว่ายังไงไปตึกอะไรก็ลองดูน่นไปไหว้พระธาตุดูนะ่นเงียบเลยไปเจริญว่ายังไงถ้าเราเจริญได้เท่าไหร่ไปถึงที่นั่นทอกันอย่า น, นัเพราะมันก็คนคนเดียวกันเนี่ยนะมันฉลาดเท่าเดิมไปแล้วมันจะไปฉลาดยิ่งกว่าเก่ามากมายได้ยังไงเว้นไว้แต่ไปกับคนที่เขามีความรู้เขาชี้แนะบอกกล่าวเป็นต้นนะะแต่มันก็ไม่รู้จะเอาเวลาที่ไหนไปบอกไปกล่าวกันณนะบริเวณสถานที่แบบแหมนิดมีงานทั้งปีอย่างนี้นะเป็นสถานที่ที่มีงานทั้งปีก็ยากที่จะได้พูดได้คุยกัน เพราะฉะนั้นต้องพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับผูธ้ถธานุสติเอาไว้ให้เยอะๆเนี่นะนะไปแล้วจะได้ไประลึกถึงว่าเออแม้เพราะเหตุนี้พระองค์มีพระคุณเช่นนี้เช่นนี้เป็นต้นเราก็จะได้อัตตสาระที่มากไม่อย่างนั้นไปก็ไปเห็นต้นไม้เนะี่ะไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยบางคนไปถึงแล้วเออไม่เห็นมีอะไรเลยนะมาตั้งไกลยอย่างนั้นก็ตามอัธยาสายก็แล้วกันนีนะนะแต่ว่าพระองค์ก็บอกว่าอันนี้สงอันนี้สงของการไปสังเวชนิยสถานนะ ไม่ใช่ตัวสถานที่แต่ไประลึกถึงพระพุทธเจ้าที่บอกว่าอานนสังเวชนิยสถานทั้งสี่แห่งเหล่านี้แหลที่ควรเห็นของกุลบรผู้มีศรัทธาไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธานในพระ ต, ตระตไารท่านเหล่านั้นจะมาระลึกถึงว่าพระตถาคตประสูนในที่นี้พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้พระตถาคตประกาศอนุตตรธรรมจักในที่นี้ นประกาศถ้ารรมจักให้เป็นไปยอย่างยิ่งยวดในที่นี้ฟรองปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธ า, ธาตุในที่นี้ดูก่อ น, อนอนุชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีสี่แห่งที่กล่าวไปแล้วชนเหล่านั้นมีจิตเลื่อมใสด้วยจิตใจที่เลื่อมใสอันนั้นจักทากาละทากาล ะ, ะด้วยจิตที่เลื่อมใสว่างนันเถอะชนเหล่าใดที่จะตายด้วยจิตที่เลื่อมใส หมายคาะว่าก่อนตายเนี่ยจิตเลื่อมใสในพระบัณฑาคดชนเหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์พระพุทธเจ้าเตือนนะว่าไปด้วยความเลื่อมใสนะและก่อนตายก็ระลึกด้วยความเลื่อมใสอันนี้ไปสวรรค์แต่ถ้าหากว่าไม่มีความเลื่อมใสเลยเนี่ยนะก็บอกว่าต่อให้เกิดอยู่ข้างๆแถวนั้นก็ไม่ไปสวรรค์หรอกเนะ่ยนะจะตือนเช้ามาก็เห็นแล้วเห็นจดค่อมเลยนะเห็นอย่างนั้นทุกวันทุกวันทุกวันสี่ห้าสิปีก็ไม่ได้ไปสวรรค์ถามว่าเพราะอะไร เพราะไม่มีศรัทธาไอเหตุให้สวบไปสวรรค์ไม่ใช่สถานที่แต่ศรัทธาที่มีต่อพระตถาคตอันนั้นแหละคือที่เป็นเหตุให้ได้ไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะีนอัตถกถาอธิบายเพิ่มเติมว่าในหน้าสองเอ่อสี่รอยยี่สิบเจ็ดเนี่ยนะ คือผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยนะผู้ที่มีศรัทธาเธอทําตั้งแต่เช้าย่อมปรากฏแก่กุลบุตรผู้มีศัพท์ผู้มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยวัดเนี่ยนะก็ไปดูสังเวชนียสถานสถานที่เป็นเหตุให้สลดใจเป็นสถานที่ให้สังเวชไม่ใช่ให้ไปร้องให้นะแต่ให้ว่าเออเนี่ยที่ตั้งแห่งความสลดสังเวชเรียกว่าเที่ยวจาริกไปในเจดีเหล่านั้นบทว่าเจติยจาริ ก, กังอาหินดันตา ท่านแสดงว่าก่อนอื่นภิกษุเหล่าใดกวาดลานพระเจดีในที่นั้นๆคือไปถึงก็ไปเจริญกุศลเช่นชัมระอาสนะรดน้ําที่ต้นโพแล้วเที่ยวไปภิกษุเหล่านั้นไม่จําต้องกล่าวถึงเลยหมายความว่าประพฤติปฏิบัติไปบูชาไประลึกถึงพุทธานุสติเป็นต้นส่วนภิกษุที่ออกจากวัดด้วยคิดว่าจักไหว้พระเจดีในวัดโน้นวัดโน้นมีจิตเลื่อมใสแม้ทํากาละในระหว่างก็จะบังเกิดในสวรรค์โดยไม่มีอันตรายเลย หมายคือว่าถ้าจะไปหมายคือว่าไหนไหนก็จะตายอุบัติเหตุข้างทางก็ตั้งใจไปไหว้ถ้าใจดีแล้วประสบอุบัติเหตุตายระหว่างทางเนี่ยนะอันนี้ก็สวรรค์อย่างเดียวว่างั้นทีนี้ท่านท่านนนก็ถามกลับเปลี่ยนถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตัวกับมาทุกขามในข้อหนึ่งร้อยสามสิบสองซึ่งท่านนนกนะ็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะท่านนนถามมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์จะปฏิบัติในมาตุคามอย่างไรคำตอบแรกก็บอกไม่ดู อ, น อ, นอานนจะดูแล้วกันเอ้าเมื่อมีการดูเนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็บอกไม่พูดด้วยอานอน์เมื่อมีการพูดจะพึงปฏิบัติอย่างไรพึงตั้งสติเอาไว้อานอน์เนี่ยนะในอัตถกถาอธิบายว่าในหน้าสี่ร้อยยี่สิบเก้านี่ยนะคือท่านพระนน์มีความคิดว่า ภาษาสดาตรัดสถานที่อยู่ซึ่งให้เกิดความสังเวชแก่เราตรัส ก, การจาริกไปในเจดีว่ามีประโยชน์ตรัสต่อปัญหาเรื่องที่จะพึงปฏิบัติกับมาตุคามตรัสบอกการปฏิบัติออขอภอภัยในวันขออภัยในหน้ามาหน้าเปิดเกินไปนิดหนึ่งหน้า427นะขอขอภยัย ก็คือที่บอกว่าข้อแรกเนี่ยนะบอกว่าทํายังไงกับมาตุคามบอกว่าอัทัสนางอานันทะบอกว่าการไม่เห็นมาตุคามเสียได้เลยนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่สมควรอะทำไมอะจริงอยู่ภิกษุเปิดประตูนั่งบนเสนาสนะตราบใดที่ยังไม่เห็นมาตุคามที่มายืนอยู่ที่ประตูตราบนั้นภิกษุนั้นก็จะไม่เกิดโลภะจิตใจจะไม่หวั่นไหวโดยส่วนเดียวเท่านั้น หมายความว่ายังไม่ได้เจอใครนะเช่นเห็นพระพุทธรูปอย่างเดียวเนี่ยโอ้ใจสงบสบายเมื่อยังแต่เมื่อเห็นอยู่นั่นแหละกลภวพะจิตก็เกิดขึ้นจิตใจก็หวันไหวขึ้นเพราะฉะนั้นข้อแรกบอกอย่าเห็นนะเพราเห็นแล้วเป็นเหตุให้จิตวันไหวนะไออย่างที่สองถ้าจําเป็นต้องเห็นล่ะทัศเนนะปณะพคะวาสติกระถังดูก่อนนะดูผ้าโนนทูนถามว่า ในเมื่อการเห็นในที่ที่ภิกษุเข้าไปรับภิกษาจะต้องปฏิบัติอย่างไรคื อ, อไม่ให้เห็นโดยส่วนเดียวมเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีการเห็นเมื่อมีการเห็นต้องทําอย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าบุรุษผู้ยืนถือมีดด้วยกล่าวว่าถ้าท่านพูดกับเราเราจะตัดศีรษะท่านเสียในที่นี้นี่แหละหรือนางยักษณนียยืนพูดว่าถ้าท่านพูดกับเราเราจะเล่นเนือ้อท่านเคี้ยวกินในที่นี้ นี่แหละยังจะดีกว่าเพราะความพินาศเหตุมีข้อนั้นเป็นปัจจัยเช่นว่าคนที่ถือมีดตัดศีรษะหรือว่ายักษินีเคี้ยวกินเนี่ยนะข้อนั้นเป็นปัจจัยมายว่าอย่างมากก็ตายแค่อัตภาพเดียวไม่ต้องเสวยทุกนายที่กําหนดไม่ได้ในอบายเลยเนี่ยนะเทระว่าก็อย่างว่าสมมติฐานผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนะโดยเฉพาะพระพิสุขเป็นต้นเนี่ยถ้าไปสนทนาสนทนากันเรื่องอะไรกันนะ น้อยมากที่จะสนทนาเรื่องศิกขาสารหรือว่าเอาผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยถ้าเจอกันแล้วนั่งคุยเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติวิมุตติยานรัศนะชักชวนกันพูดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยยมเห็นบ่อยไหมหายากมากเขาบอกว่าเจอกันเมื่อไหร่มันได้บาปปะปนกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นน้อยมากเนี่ยแม้กระทั่งที่สังเวชนียสถานอ่ะที่เป็นลักษณะชายหนุ่มกับหญิงสาวไปสวดอิติปิโสด้วยกันเนี่ยหายากมากนะ ที่ ท, ที่ที่จะไปบูชาไปไหว้พระเจดีไปอะไรเนี่ยนะหายากมากเพราะฉะนั้นทัาการเจอกันเมื่ อ, อไหรมีการพูดคุยกันเมื่ อ, อไหร่ยากที่จิตจะเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจากอะไรไหนเนี่ยนะเมื่อกุศลไม่เกิดอะไรเกิดอกุศลถ้าไม่พูดสัมมาวาจาก็เป็นอะไรก็เป็นมิจฉาวาจามิจฉาวาจาทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันไม่เคยให้ผลเป็นสุขเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละนันก็บอกโอ้ไม่เห็นอดีที่สุดถ้าเห็นอย่าพูดถ้าจะพูดละ่ะ บอกว่าเมื่อมีการเจรจาปราศัยกับมาตุคามมีอยู่ความคุ้นก็มีเมื่อมีความคุ้นก็จะมีช่องทางภิกษุมีจิตถูกราคา่าครอบงำก็ถึงความพินาศแห่งศีลเสร็จแล้วก็บริบูรณ์เออัดยัดเยียดอยู่ในอบายพระองค์ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นอย่าพูดการเนี่ยนะพอพูดกันแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่จะไปอบายเนี่ยสูงจริงๆเหมืนั้นก็เลยตรัสเป็นคาถาในอังคุตรนิกายว่า บุคคลเพียงพูดกับบุคคลผู้มีมือถือดาบหรือว่าไปพูดกับปีศาจที่นั่งหรือไปนั่งชิดอสสารพิษผู้ที่ถูกคนมีดาบตัดศรีรษะหรือว่าถูกปีศาจหรืออสสารพิษกัดแล้วเนี่ยยังไงก็ตายแต่การที่พิสุพูดกับมาตุคามสองต่อสองก็ไม่มีชีวิตเหมือนกันชีวิตในศีลก็อันตรธานหมดไปศีลเป็นต้นก็ไม่เหลือเลย น, นข้อสองบอกว่าอยากคุยด้วยนะข้อสาอารปปเนปันะถ้ามาตุคามถาม ถ, ามถึงวันขอศีลถ้ามาตุคามขอฟังธรรมละ่ะถ้ามาตุคามถามปัญหาธรรมะหรือกิจกรรมที่บันปะชิตจะพิงธรรมแก่มาตุคามนั้นอ่ะถ้าหากว่ามาตุคามถามแล้วพิสุจะไม่พูดในเวลาเห็นปานนั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นใบหรือเปล่าหูหนวกหรือเปล่านั่งแล้วก็ปากแข็งเพราะฉะนั้นก็พวนพูดถ้าจะพูดพูดอย่างไร พระ อ, องค์ก็ตรัสว่า ม, มาเถิดพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจงตั้งจิตคิดว่าเป็นมารดาในสตรีมารดาหมายก็ว่าเหมือนกําลังคุยกับแม่อยู่นะเหมือนตั้งจิตคิดว่ากําลังสนทนากับพี่สาวในสตรีที่มีอายุปูนเท่ากับพี่สาวถ้าอายุน้อยละ่ะลูกสาวก็คิดว่ากําลังสนทนากับลูกสาวอันนนตั้งสติเอาไว้อย่างนี้เพราะอันนั้นเป็นฮิริโอตตะปะเมื่อฮิริโอตตะปะเกิดขึ้นศีนก็เกิดขึ้น เหมือนอย่างว่ากําลังคุยกับพี่กําลังคุยกับน้องกําลังคุยกับแม่กําลังพูดกับลูกกับหลานเป็นต้นก็ต้องตั้ง อ, อ, อะไรสัญญามนุิการอันนี้ให้ดีๆเลยนะหรือมนุิการเรียกว่าสมณะสัญญาเอาไว้ให้ดีๆ